เดี๋ยวได้แ็กลับาพักตอนกันอ่ครฟังเช้าม่้อจะต้องทำน้วทกันน่นอนนะเราแค่กอดหายหิยังให้หิ่มากมันก็ช่วยได้นะช่วยที่บ้าน เราวางใจที่เป็นธรรมดานะเว่อวปฏิบัติธรรมไม่มเกิดเกิดความง่วงว่ า, างนี่างธรรมาเพราะที่จริงวันๆที่เราทำานทันวไปเราอยู่กับความคิดเรอยู่กับการทงานเราอยู่กบการพูดคุยกับผู้ ค, ค, ค, ค, คนหรือการดูนั่นดูนี่สัเงเกตคนแรย การเปลี่ยนอารมณ์ทางเบื่น อ, อ น, นี่ก็ไปตัวนนะั้นทางเลืออ่อ น, นี่ก็ไปทานั่ น, นการเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่ อ, อยๆบางทีเราก็ไม่ท้การเสือกแต่ในกองไม่้รีบของงานกองเร่งรีบออกทีมเราก็ทาให้เราเปลี่ยนไปเรนะื่อยๆมันก็เลยเป็นความคาดจเจนแต่พอเรามาปฏิบัติตามทีมีแค่การยกมือการเดิจนจงกม ไม่ได้พูดคุยปับใครอันนี้มันก็ทำให้ทีก็ทำให้หมดจุ่มซึ้งห้องง่วงันนี้ก็มันก็เป็นการฝึกตัวเราเองอย่างหนึ่งว่าเราจะอยู่ตัวเองได้หเปล่าคนที่คนที่มีปัญญาคนที่จีรมาธิกอยู่ตัวเองได้ แม้จะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้วก็าต้องกดินได้นะสมาธิเนะบาไมาตสั่งบางทีก่อนนอนกับสมาธิบางทีก็ใช้กันหนะมือใช้เกลียนกันเมื่อพอนอนกับพุ้นตันะ้งนนก็น้อยลง แต่เมื่อไรที่จุ่มานมันก็ไม่ไปงมันก็ปฏิบัติที่ีไหนก็เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าถ้าแนวเวจอสติบางทีเราดูมันเป็นธรรมารมณ์ก็ได้ธรรมารมณ์หมวดนิวรณนแล้วธรรมะก็เป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดเองเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไป เป็นตอนนอวตอนนี้ไม่ง่วงใช่ไห ม, มถ้าเด้มา น, นั่งฟางก็ไม่ง่วงละถ้าได้คิดเรื่องอาหารก็ไม่ง่วงละเห็นให้มมันเดตื้นแล้วก็ดับไปทําป็นเพีงงยงนะพระเจ้าะก็คือในคนมีวิธีใหม่ที่ฝึกสติอะคะก็คือเวลาเราต้องเดิขขนผ่านะเราต้องมีสติค่ะคืออย่างนี้จะได้มีสติค่ะ คช่ ใจเราติ pray, ้งใจเราเกิายหรืใจเราอยู่กับปีกีเด็กเวลาแต่ละวันผมก็ที่บอกว่าให้ชวนน้องปาก็คือชวนตัมาดูตัวเองตั้มาดูบ่อยๆคล้ายๆเหมือนเราฝักระจบมันก็จะเห็นเป็นไง่ายเป็นร่างของตัวเราเอง แต่การสติเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับมาดูกอจบเป็นเห็นแค่รูปร่างหน้าตาข้างนอกแต่สติสแกนเห็นทั้งข้างในนะเห็นว่าเลือกอยู่หรือเปล่าเห็นว่าคิดอยู่หรือเปล่าเห็นว่าระบบอยู่หรือเปล่าบทีันต้องสะท้อนจากจากภายนอก เส้นทางรู itta, m, m, t itta, t itta ้สึกตัวว่ามันเปรย์นี่มนก็อาจจะเรียดใส่ต็สะท้อนจากภายนอกที่รู้สึกว่ามันเปรย์แล้วก็เปลี่ยนหรือบางทีก็อาจจสะท้อนจากภายในรู้สึกนะรู้สึกตึมมันปุ๊รู้สึกตึมมันไม่สบายภายในก็ไปย้อนกลับมาเห็นว่าภายนอกเราก็ไม่สบายเหมือนกันถ้าแถวรถไปนะ เด็กจะทำจริงนทตารตองเมืเ่อาม นั่นมือซักจกักรวาลเรามนเล็มันจะได้ไม่เกียเวลาจิตจิตมุทีลก็ไปเราเมื่อไรจะได้กับเมื่อไรจะได้ทานจิตก็ไปไปต้นหน้าแต่ต่อไปก็ตัดท่าเองเราก่อนที่จะทำอะไรถ้าเราทำมาอยู่ตัวเราเอง เวลาเราไปทำอย่างอื่นมันก็มันก็ไม่คลุ้นตาสติไม่นจะต่ตอเนื่องไปเรื่อยๆ อยู่กันในหลายคนอยู่ในหลายวัยน่ะรักษาใจเราดีๆนะมองเป็นเรื่องหรือทดสอบนะมีเสียงมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรมีแต่จริงไม่มีอะไรไม่ควรมีอกนะมีแต่ว่าเราจะทําห้ตัวเองทานหรือเปล่าเวลาคนอือพืดนคุยพื้นอื่งเขาเร่นเร่งอ่าเราต้องมาดูใจเราทานหรือเปล่านะ ไว้ใจเราเป็นแบบนี้ในการเดินปติในบางทีเราไม่ต้องการใส่พระสิ่งใดเราต้องสงบหรือว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยทุกอย่างต้องไม่มีปัญหาแต่ตามพาวนาถ้าเราใช้สตินำหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็เป็นการไป้ายๆสะท้อนสำนึนว่าข้างหนใจมันรู้สึกอย่างไรมันสะท้อนสมาถึง เราต e like like like like like ้องเห็นว่าวิธีคิดของเราเป็นแบบไหนมันมีความชอบมีความไม่ชอบในใจหรือเปล่าแต่ย้อนกลับมาเห็นตรงนี้นะแต่ถ้าบางทีมันไม่มีเหตุการณ์สถานการณ์นะบางทีเราก็จะไม่รู้ว่ามันคิดอะไรหรือมัรู้สึกอย่างไรถ้าการในตัวจริงเราไม่ปิดตั้งนสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่นเกิดขึ้นจริง พก็ติดตามสะท้อนสะมาเห็นว่าความรู้สึกในใจมีนเป็นแบบไหนมันดีดีในแง่ไนนดีเพราะว่ากิเลสหรือว่าติที่หวักผมในใจมันมีคนมาค้ายค้ายมันปวนให้มันให้มันโผลให้มันขุ่นขึ้นมาอันนี้คือเป็นคล้ายๆเป็นการว่านปุนการภาวนาเหมือนกันนะนั้นมันมีแต่ขอบคุณ เมื่อมีสถานการนเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงดังนะตอนไม่เรียบร้อยนะปัญหาอุปสรรคของการทางเทเลสต์นะี่เราเรามอว่ามันเหมือนเป็นเป็นโจทยนะ์เป็นแบบคัดนะถ้าเราทำได้เราผ่านได้แล้วก็ฉลาดขึ้นะแล้วก็มีความต้านนมากขึ้น ไม่ใการที่เราต้องคอยหนีคอยหลบคือว่าไม่อยากมันเกดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงะเราก็ให้กลับมาดูมารู้สึกในสถานการณ์ในใจของเราเองนอกจากบางอย่างเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องเราเป็นคนที่อมีหน้าที่อาจจะไปจัดการข้างนอกด้วยแต่บางอย่างถ้ามัไม่ไม่จำเี็นั้งจัดการเนี่ยมากก็ป่อย แต่ทางชาติจัดการเองนี่เราเป็นการจำนำดังั้นเราเห็นไ่าแต่สายที่เน้นเต๋อศรีมากเมืองคอวัดอะไรต่างๆก็จะไม่ ไ, มได้เน้นมากเอาไว้เป็นตัวทดสอบแต่ถ้าสายที่เน้นสมาี่มากพอวัดก็กเห็ไนไดยิ่งยังต้องมากเพราะว่าถ้ามันเกิดความวุ่นวายจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่เจริญ แต่ถ้าใส่เน้นเยียรติสติเราไม่ได้ไม่ต้องสอนนะสมาชิกอย่มีนน้ำหน้าเราตัวสติน้ำหน้าเลยสติคอยรู้ทันรู้ทันอารที่เกิดขึ้นในใจมันจะเกิดปัญญาได้ได้เร็วเพราะว่าอะไรมันจะเห็นตะกอนที่มันนอนเนื่องในจิตใจมันโผลขึ้นมาภาวนายี่เห็นติดที่ไม่เราคิดว่ามันไม่มีในใจ คิดว่ามันไม่ใช่เราจริงๆนะแต่จริงมันไม่ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยทำสักทีแต่ ถ, ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ย น, นะหรือว่าเหมือนคล้ายคลึทําให้เราเกิดปัญญารู้ทันสภาวะแวดล้อมาวะขึ้นในจิตใจของเรามันเกิดขึ้นมาปฏิบัติทางมือทีเห็นเห็นกิเลสหลายอย่างมากอย่าไปตกใจนะ ไม่คิดปแบบนี้ได้ลรือคาดคิดแบบนี้ได้ได้ลหรนอรู้สึกแบบนี้มันไม่ดีเลยนะแต่จริงมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีมันเกิดขึ้นมาก็แค่รู้มันทุกทอย่างบางทีก็คิดไม่ดีอคิดผิดสิทธิ์ผิดธรรมหรือคิดขัดตัวตนก็มีนะแต่พอเรารู้ทันว่ามันคิดเป็นขัดตันมันก็จิตก็ เป็นปกติไดนะ้แค่รู้ทันเห็นจากอกุศลก็คิ้งเฉยเฉยได้ไม่ต้องว่าพอเช่นสมองมันคิดไม่ดีเราไม่ชอบความไม่ชอบที่เป็นอคติสนเะนี่ยนะความไม่พอใจเมื่อคิดไม่ดีแล้วก็ยังรู้สึกไม่ดีกตัวเองรู้สึกไม่ชอบความคิดนั้นความรู้สึกนั้นมันก็มีแต่อคติสต่อแน่อกันฉะนั้นมันจะคิดนีได้ตั้งคิดไม่ดีได้ตั้งตั้งหัวมัน อันนี้เราก็ดบาธรรมพยาามรู้พันคนนี้ด้วยเอี่ยไปคิดไปจัดการอย่าไปนอกให้กลับมารู้พันควานที่สึกภายในใจของเราเองอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นชัดๆเนาะถ้ามันเกิดขึ้นไม่ชัดแล้วก็กลับมาดูกายเนี่ยกลับมาดูกายหรือบางอย่างมันเกิดขึ้นในใจแต่มันแดงตนมันสติเราไม่กอดูก็ดูก็ไม่จับดูตก็ไม่หยุดก็กลับมาดูกายนะเอี่ยไป อยาไปโกเออยากจะอยากจะให้มันดับไี่ได้อยากจะให้มันหายไได้อยกไปโกเอกเลยนะฝันมาดูใจมพราะฝันมาบ่อยๆแล้วอามณ์พวนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงคล้ายๆแบบเราขับรถเร็วๆมันเบรกทีเดียวมันมันไม่อยู่ทีต้องเหยียบเบรคต้องซ้าหลายๆครั้งมันถึงไม่อยู่อารมณบงอย่างมันแรง สติกำลังไม่พอแนละ้วก็ต้องอาศัยรู้ทัน ห, หลายๆครั้งแทนก็ไม่ต้องกันวนอะไรนะเี๋ยวเราก็ตัอกอาหารเรียบร้อยแล้วครแบบี่ได้มาอาหารแล้ก็มีส ต, ต, ติใิตามท่ากานอาหารนะใหมพรก่อนที่จะานวอร์ดุกตาทำงา น, น จงมีแก่ท่านพระคันตุสาวกเทวตาขอเราเทวนาทาั้งปวงจงระสาท่านสาวกุธานุภ า, าเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวกุธามานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาวกุจังทานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสง์ สาธาโสธิพาวันกุเทขอควันสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดินปฏิทิงท่าโยโตตินาปาทางปฏิเตวามีเข่ายองทีเจรนาโดยแย้คลายได้ฉันวิทธบาเนวทตวายาไม่ให้เด็กไปเพื่อความเชื่อเปิดสนุสนา นามาัธยาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเอามันเกิดกำลังพลังทางกายนามัญญายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนามิภูสนาญาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวิมัสกายะสะัสติปิยาแต่ให้เก็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้เห็นกายนี้ ยาปนายาเพื่อความเด็นกไกลได้ของอัตภาพวิสุวรรณียาเพื่อความสิ้นไฟแห่งความลำบากทางกายปัมมะจริญาลุคาหายาเพื่อลุคาแก่การประพฤติสมัจจันีติภูรานันเวทนันปฏิหน้าฆาดีวดยการทำอย่างนี้ เรายอร่อมระนักเสียดซึสิทุกขวเวทนาเขาคือความหิวหน้าวันจะเวทนาทำควาเทศามีแต่ไม่ทำทุกขวเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจักเมปริสติอนาวัจจะตาจัพาสุธิหาโรจาตีผ่หน่งความเป็นใครโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ควาเมเป็นผู้หาททษนี้ได้ด้วยแต่ความเป็นอยู่โดยภาสุดด้ว ย, วยจกมีแก่เราดังนี้าอาะเหมือนกั้ชาเนาะตั้งนี้ินมาเป็นักมือกร ะ, ะ, ะถางเต็มต้อไปล้างอย่างเราจะทกิจส่วนตัวเราใสรเศองถ้าเป็นมาปฏิบัติตรงนี้ก่อน น, นะ ไม่ต้องรเวลาเป็มที e. ่เลยนะก็ทำได้